จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่มใสในพระพุทธศาสนา ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบห้าพุทธาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมีศรัทธามีความเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงทุกประการสอนเรื่องต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ตัวของเราเองเช่นสอนเรื่องสวรรค์ สอนเรื่องนรกสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและสอนเรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่สามารถรู้ได้ด้วยตนเองเพราะว่าเราไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติ ให้เห็นสิ่งต่ตางๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้เราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อว่านารกมีจริงเชื่อว่าสวรรค์มีจริงเชื่อว่าการทำบุญจะให้เราได้ไปสวรรค์การทำบาปจะให้เราได้ไปนรกไปอบายการปฏิบัติธรรม ชำระใจวะใจให้ส า, าก็จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปสิ่งที่เราไม่รู้หรือเรายังไม่เห็นก็คือตัวเราเราคิดว่าร่างกายที่เราเห็นนี่เป็นตัวเราความจริงมันเป็นเพียงผู้รับใช้เราเรา เป็นคนใช้ร่างกายให้ไปทำอะไรต่างๆเราคือผู้คิดผู้สั่งผู้รู้นี่คือเราเรียกว่าใจเราสั่งให้ร่างกายมาวัดสั่งด้วยความคิดคิดว่าวันนี้เราจะมาทำบุญที่วัดกันพอเราคิดแล้วพอตื่นขึ้นมาเราก็สั่งให้ร่างกาย เตรียมข้าวเตรียมของต่างๆอาบน้ า, ต า, า, นาแต่งตัวแล้วก็ออกเดินทาง ม, มาวัดเรานี้เป็นคนขับร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์กับคนขับนี้เป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกันร่างกายเป็นคนหนึ่งใจเป็นอีกคนหนึ่งท่านถึงมีคำพูดว่าร่างกาย เป็นบาวใจเป็นนายใจเป็นนายกายเป็นบาวใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจนี้มีอายุยืนยาวนานไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเพราะใจไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายร่างกายนี้มีรูปร่างจึงต้องมีวันแก่ มีวันเจ็บมีวันตายเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่เป็นคนขับร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้ายังมีความอยากาความสุขผ่านทางร่างกายก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่คือการไปเกิดใหม่ผู้ที่ไปเกิดใหม่ไม่ใช่ร่างกายอันนี้ ร่างกายของพวกเราทุกคนนี้ไม่ได้ไปเกิดใหม่ร่างกายนี้พอตายแล้วเขาก็เอาไปเผากลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกไปร่างกายนี้ไม่ได้ไปเกิดใหม่ผู้ที่ไปเกิดใหม่คือใจเหมือนกับคนที่ซื้อรถคันใหม่เวลารถคันเก่าพังไปถ้ามีเงินก็ไปซื้อรถคันใหม่ คนที่ไปซื้อนี้ไม่ได้ตายไม่ได้พังไปกับรถคันเก่าพอรถคันเก่าพังไปยังต้องใช้รถอยู่ก็เลยไปซื้อรถคันใหม่เราจึงเรียกว่าเป็นการเวียนว่ายตายเกิดพอร่างกายนี้ตายไปใจที่เป็นคนขับร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็ไปหาร่างกายอันใหม่ ก่อนที่จะไปได้ร่างกายอันใหม่ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาป ก, ก่อนถ้าทำบุญไว้มากกว่าทำบาปผลบุญมีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปไปอยู่ในสวรรค์ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ก่อนสวรรค์นี้เป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ก็ไปเที่ยวจนกว่าบุญที่เรา ทำไว้มันมีกำลังเท่ากับบาปบาปจะดึงไปนรกก็ไปไม่ได้บุญจะดึงไปจะเก็บดึงไว้ให้อยู่ในสวรรค์ต่อไปก็ดึงไม่ได้ก็เลยต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาได้ร่างกายอันใหม่พอเกิดมาแล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่นี่คือเรื่องของใจผู้เป็นผู้ทำบุญทำบาป และเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบากร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์ไม่ได้ไปรับผลบุญผลบาตเช่นเวลาเราขับรถไปชนคนตายเขาไม่จับรถไปขังในคุกในตารางแต่เขาจับคนขับไปขังในคุกในตารางเพราะคนขับนี้เป็นคนสั่งให้รถยนต์ไปชนคนตายรถไม่รู้เรื่องเขาไม่เอารถไปขังคุกขังตาราง เขาเอาคนที่ขับรถนี่ไปขังคุกขังตารางชันใดเราเวลาที่เป็นมนุษย์นี่เราไปทำบาปแล้วพอเวลาตายไปบาปเรานี้มีมากกว่าบุญบาปมันก็จะมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงเราให้ไปใช้กรรมในอบายไปตกนรกไปเกิดเป็นเดรัจฉานนี่คือ เรื่องของบุญของบาปที่มีผลต่อจิตใจของพวกเราที่พวกเราไม่สามารถรู้ได้ด้วยตนเองเราจึงต้องเชื่อคนที่รู้คือพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกทำไมท่านถึงรู้ได้เพราะท่านศึกษาวิธีเปิดตาทิพตาในพวกเรามีสองตามีตานอกกับตาใน แต่ตอนนี้ตาในของเราบอดตาลายของเราถูกปิดด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงถ้าเราอยากจะเปิดตาในเพื่อให้เราได้เห็นตัวของเราได้เห็นนรกได้เห็นสวรรค์ที่เราจะต้องไปรับผลเราก็ต้องเปิดตาในให้ได้วิธีที่จะเปิดตาในเราก็ต้องนั่งเราก็ต้องปิดตานอก เชนนั่งหลับตาปิดแล้วก็ปิดความคิดหยุดความคิดให้ใช้คำบิกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆท่องอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วพอใจหยุดคิดตาในก็จะเปิดขึ้นมาเราก็จะเห็นโลกทิพย์จะเห็นตัวเราคือผู้รู้จะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นสัต h, ที่เวียนไหวาตายเกิดในนรกในสวรรค์นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสามารถกระทำได้คือเปิดตาในจึงทำให้พระองค์นี้ไม่สงสัยเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ว่ามีจริงหรือไม่ไม่สงสัยเรื่องการเวียนไหวาตายเกิดว่ามีจริงหรือไม่และไม่สงสัยการยุติการเวียนไหวาตายเกิด ว่ามีจริงหรือไม่เพราะพระ อ, องค์สามารถกระทำได้แล้วพระ อ, องค์สามารถหยุดใจที่ชอบไปเกิดแก่เจ็บตายที่ชอบไปซื้อร่างกายอันใหม่เหมือนคนที่ชอบไปซื้อรถคันใหม่ท่านหยุดคนที่ไปซื้อรถคันใหม่ได้ด้วยการหักห้ามความอยากต่างๆเพราะความอยากทําให้เราต้องมีรถยนต์ เช่นเราอยากจะออกไปข้างนอกไปเที่ยวไปทําอะไรต่างๆไปหาคนนั้นไปหาคนนี้เราก็ต้องมีรถยนต์ถึงจะไปสะดวกแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้เช่นไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปหาคนนั้นคนนี้อยากจะอยู่บ้านเฉยๆถ้าเราไม่มีความอยากออกนอกบ้านเราก็ไม่ต้องไปมีรถยนต์ เพราะเราไม่ต้องไปไหนมาไหนฉันใดถ้าเรายังมีความอยากดูอยากฟังทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราก็ต้องมีร่างกายเพราะการมีร่างกายจะทำให้เรามีตาหูจมูกลิ้นกายไว้ดูไว้ฟังไว้ดมได้ไว้ลิ้มรไว้สัมผัสกับสิ่งต่างๆที่เราอยากจะสัมผัส ถ, monks, realize, them, it, ถ้าเราย so ังมีความอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากสัมผัสกับของต่างๆอยู่เราก็ยังจะต้องมีร่างกายอยู่แต่ถ้าเราเลิกความอยากดูอยากฟังได้ไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยากดื่มไม่อยากรับประทานถ้าจะดื่มรือจะรับประทานก็ดื่มเพราะความจำเป็น เช่นร่างกายมันขอร้องว่าขอน้ําหน่อยขออาหารหน่อยถ้าเป็นความต้องการของร่างกายไม่เรียกว่าเป็นความอยากแต่ถ้าเป็นความต้องการของใจเช่นกินข้าวฟพิ่งอิ่มไปหยกยกก็อยากจะกินขนมอีกอย่างนี้เรียกว่าเป็นความอยากของใจไม่ใช่เป็นความอยากของร่างกายถ้าทําตามความอยากของใจ ก็จะทำให้เราติดเมื่อเราไม่เราติดเราก็จะต้องทำอยู่เรื่อยๆพอเวลาเราไม่มีร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้ตายไปเรายังมีความอยากกินอยากดูอยากฟังอยากดื่มเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่จึงมีการเกิดใหม่ส่วนพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้พระองค์ทรงเห็นว่าการมาเกิดแต่ละขั้งนี้ มันไม่ได้เป็นความสุขเลยมันเป็นความทุกข์เพราะว่าจะต้องลิ้นโนกับการเลี้ยงดูปากท้องเกิดมาแล้วก็ต้องมาทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ต้องมาทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายของร่างกายเพระพุทธเจ้าจึงกลัวความเกิดไม่อยากจะมาเกิดพระ อ, องค์จึงทรงศึกษาค้นหา สาเหตุว่าอะไรทำให้พระ อ, องค์มาเกิดพระ อ, องค์ก็พบว่าเพราะความอยากนี่ออยากดูอยากฟังอยากดูก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหูอยากกินก็ต้องมีปากมีลิ้นอยากดมกลิ่นก็ต้องมีจมูกอยากสัมผัสของของร้อนของหนาวของเย็นของแข็งของนุ่มก็ต้องมีร่างกาย ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ต้องมามีร่างกายมาเกิดพอพระพุทธเจ้ารู้ว่าเหตุที่ทำให้พระ อ, องค์ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายคือความอยากของพระ อ, องค์เองพระ อ, องค์ก็เลยพยายามต่อสู้กับความอยากก็ไปทรงศึกษาวิธีว่าจะต่อสู้กับความอยากได้อย่างไรก็มีคนสอนว่าให้ทำใจให้นิ่งให้ใจสงบ ให้ใจหยุดคิดให้ได้ถ้าใจหยุดคิดแล้วใจก็จะสงบสงบแล้วความอยากก็จะหยุดไปเพราะความอยากนี่ต้องมีความคิดเป็นเครื่องมือเช่นโยมต้องคิดก่อนว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์จะมาทำบุญที่วัดพอเราคิดถึงเรื่องมาทาบุญเราก็อยากมาทันทีเรื่อคิดถึงการไปเที่ยวเราก็อยากไปเที่ยวทันที คิดกายหาเพื่อนเราก็อยากจะไปทันทีแต่ถ้าเราไม่ได้คิดเรื่องราว ต, ต่างๆความอยากก็จะไม่เกิดพระพุทธเจา้าจึงสอนให้เราคิดในเรื่องที่ไม่ทำให้เกิดความอยากเช่นให้คิดคำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจถ้าเรามีพุทโธอยู่ในใจเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้ ไม่คิดถึงร้านอาหารไม่คิดถึงโรงภาพยนตร์ไม่คิดถึงเพื่อนคิดถึงอ ะ, อะไรต่างๆได้พอเราไม่คิดถึงอะไรต่างๆเราก็จะไม่มีความอยากที่จะไปตามสถานที่ต่างๆนี่คือวิธีการหยุดความอยากแต่เป็นการหยุดความอยากเพียงชั่วคราวเพราะเวลาใดที่เราเผลอไม่มีพุโทโธ เราไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ถ้าเราอยากที่จะหยุดความอยากอย่างถาวรเราก็ต้องมองให้เห็นโทษของความอยากว่าความอยากนี้จะพาเราไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ไปพาเราไปสู่ความสุขเช่นเราอยู่คนเดียวเหงาอยากจะมีแฟนเราคิดว่ามีแฟนแล้วเราจะมีความสุข แต่พอไปมีแฟนเข้าจริงๆกับไม่มีความสุขเพียงอย่างเดียวกับมีความทุกข์แท้มาด้วยเวลาที่ทะเลาะกันก็ทุกข์แล้วเวลาที่แฟนแอบไปมีคนอื่นก็ทุกข์แล้วเวลาที่แฟนเขา้าโกรธเกลียดเราทุบตีเราเราก็ทุกข์แล้วถ้าเขาลักเราเวลาเราไม่เห็นหน้าเขาเราก็หวนเราก็กงังวลแล้วเราก็หวน เราก็ไม่อยากให้เขาไปมีแฟนใหม่ไม่อยากให้คนอื่นมาแย่งแฟนของเราไปนี่คือความทุกข์ที่จะตามมาถ้าเราไปทำตามความอยากถ้าเราเห็นว่าการมีแฟนแล้วกับจะมีความทุกข์มากกว่าการมีความสุขเราก็จะไม่อยากมีแฟนได้อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวทำใจให้สงบทำใจให้สบายมีความสุข ดีกว่าการมีความสุขกับการมีแฟนเพราะมีแฟนแล้วจะต้องมีความทุกข์ทุกหลายรูปแบบทุกเพราะว่าทะเลาะกันทุกเพราะว่าหวงทุกเพราะว่าหวงทุกเพราะว่าเวลาจากกันก็จะมีความทุกข์ตามมาแต่ถ้าเราไม่มีแฟนเราก็จะไม่ทุกข์เลยเราก็จะอยู่เฉยๆอย่างสบาย เพียงแต่เราต้องหยุดความอยากให้ได้ถ้าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหายไปเองนี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ความสุขในตัวของพระพุทธเจ้าคือในใจของพระพุทธเจ้าจนรู้สาเหตุของความทุกข์และสาเหตุของความสุขของใจว่าเกิดจากอะไร ความทุกข์ของใจก็เกิดจากการทำตามความอยากต่างๆความสุขของใจก็คือการไม่ทำตามความอยากเวลาเกิดความอยากก็ให้หยุดความคิดพอหยุดความคิดแล้วความอยากก็จะหายไปเวลาอยากจะไปมีแฟนก็หลับตาท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะลืมเรื่องการที่จะไปมีแฟน พอลืมแล้วความอยากมีแฟนก็หายไปความทุกข์ก็หายไปความสงบก็กลับมานี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัตวแล้วทาให้พระพุทธเจ้านี้มีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่มีความทุกข์กับอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าไม่ได้กลับมาเกิดเหมือนพวกเราถ้าพระพุทธเจ้ายังต้องกลับมาเกิด พระพุทธเจ้าก็ต้องมาแก่กับความมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดผ้าจากสิ่งต่างๆไปแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่กลับมาเกิดแล้วแต่ท่านไม่ได้หายไปไหนการไม่ได้กลับมาเกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าใจของเราหายไปก็เหมือนกับคนที่ไม่ซื้อรถคันใหม่คนที่ไม่ซื้อรถคันใหม่ตัวเขาก็ยังอยู่ เพียงแต่ว่าเขาไม่ต้องมีรถพาเขาไปไหนมาไหนเพราะเขาเบื่อที่จะไปขับรถขับรถแล้วก็ต้องไปติดตามท้องถนนแล้วก็ต้องมาดูแลรักษารถต้องซื้อประกันกลัวจะถูกเขาขโมยไปต้องทำอะไรหลายอย่างต้องคอยเติมน้ำมันคอยล้างรถคอยเอาเข้าอู่มีแต่ภาระก็เลยไม่อยากจะมีรถ พอไม่มีรถแล้วก็สบายอยู่บ้านเฉยๆนั่งพุโทโธพุโทโธไปดีกว่าดีกว่าอยากออกไปนอกบ้านออกไปนอกบ้านแล้วก็ต้องมีรถมีรถก็ต้องหาเงินมาซื้อรถหาเงินมาเติมน้ามันหาเงินมาซ่อมรถหาเงินมาจ่ายค่าประกันล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นคนจะลาจึงไม่มีรถดีกว่า อยู่บ้านเฉยๆดีกว่าพระพุทธเจ้าเฉลาดเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็เลยหยุดความอยากดีกว่าไม่ทำตามความอยากพอไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องมีร่างกายแต่ตัวพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้หายไปไหนตัวพระพุทธเจ้าเองก็ยังอยู่ในโลกทิพย์อยู่ในชั้นสูงสุดที่ที่เราเรียกว่าพระนิพพาน ไม่ได้หายไม่ได้สูญหายไปไหนคนที่ไปถึงพระนิพพานนี้ไม่ได้หายไปไหนสิ่งที่หายไปก็คือความทุกข์ใจแต่คนที่ไม่มีความทุกข์ใจนี้ไม่ได้หายไปไหนยังอยู่เหมือนตอนนี้เพียงว่าถ้าอยู่ตอนนี้ถ้ามีร่างกายก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่เท่านั้นเองมีใครอยากจะมีความทุกข์บ้างไม่มีใครอยาก แต่ทำไมต้องมาเจออยู่เรื่อยๆก็เพราะไม่รู้ว่าต้นเหตุของการมาเกิดเกิดจากอะไรนั่นเองถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วมาสั่งสอนพวกเรามาบอกพวกเราว่าการที่พวกเรามาเกิดนี้เกิดจากความอยากของพวกเราถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดไม่อยากจะมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพลาดจากของที่เรารักที่เราชอบ เราก็อยากกลับมาอยากมีความอยากแล้วการไม่มีความอยากนี้เป็นความสุขมากกว่าการมีความอยากเพราะเวลาอยากได้อะไรมันจะสุขตอนต้นเวลาได้มาก็ดีใจพอได้มาแล้วความสุขก็หายไปความทุกข์ก็ตามมาเพราะต้องคอยดูแลรักษาของที่เราได้มานี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กัน พวกเราจึงทำตามความอยากกันเพราะคิดว่าทำตามความอยากแล้วจะมีความสุขแล้วสุดท้ายเป็นยังไงร้องห่มร้องไห้กันแต่งงานกันเดี๋ยวไม่นานหมอข้าวไม่ทันดาก็ทะเลาะ ก, กันก็มีอย่าร้างกันก็มีหรือเกิดอุบัติเหตุตายจากกันไปก็มีมีแต่เรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราไปทาตามความอยาก เราจะทําให้เราต้องกลับมาเกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นร่างกายที่เราเปลี่ยนมานี้นับเป็นจำนวนหลายพันล้านแล้วนับไม่ท้วนและจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้มาพบกับคําสอนของพระุทธเจ้าตอนนี้พวกเราโชคดีมีบุญมีวาสนาได้มาพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่สอนว่าให้พวกเราหยุดความอยากกันถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเราต้องหยุดความอยากและวิธีที่จะหยุดความอยากพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้เอาเงินที่จะไปซื้อของต่างๆตามความอยากนี้เอามาทำบุญแทนทำบุญแล้วจะหยุดความอยากซื้อข้าวซื้อของต่างๆได้แล้วก็มารักษาศีลกันเพื่อหยุดการกระทาบาปต่างๆ แล้วก็มานั่งสมาธิทำใจให้สงบใจสงบแล้วความอยากก็จะหายไปชั่วคราวแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ให้ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากจะทำให้เราต้องไปเจอแต่ความทุกข์จะพาให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อย นี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะกระทำกันให้ได้เพราะถ้าเราทำได้แล้วเราก็จะมีแต่ความสุขเราจะไม่มีความทุกข์และเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อเราจึงมาวัดเพื่อมากระทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน มาทำบุญการทำบุญนี้เราทำเพื่อตัดความอยากแทนที่จะเอาเงินนี้ไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่เราก็บอกว่าเอามาทำบุญดีกว่าแล้วเราก็หยุดการกระทำบาปเวลาเราอยากจะฆ่าสัตว์เราก็อยากทำเวลาอยากจะลักทรัพย์ก็อยากทำแล้วเราก็จะหยุดการกระทำความอยากที่ไม่ดีที่จะพาให้เราต้องไปเกิดในอบายไปตกนรก แล้วเราก็มาหัดนั่งสมาธิกันมาท่องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆภายในใจเพื่อหยุดความอยากพอหยุดความอยากได้แล้วก็ใช้ปัญญาสอนว่าต่อไปนี้อย่าทำตามความอยากเพราะถ้าทำแล้วจะต้องเกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอนถ้าพวกเราทำได้เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้น แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาฟังความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วนำมาสั่งสอนให้กับพวกเราเพื่อพวกเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราไปสวรรค์อะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราไปนรก อะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปให้เอาไปพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไวเพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีราตนาไตรและมุญกุศล